ศีล8ปเหมาะกับชีวิตครวดหรือไม่ตามความเห็นของลุงพ่อเราต้องปฏิบัติไปตามขั้นภูมิของตัวเองโดยยึดเอาศีลห้าเป็นหลักไว้ก่อนเมื่อปฏิบัติไปได้สมาธิได้สติปัญญาและวศีลเป็นปกติ มันจะก้าวหน้าไปเองเอาห้าข้อเนี่ยให้มันได้จริงๆซะก่อนการปฏิบัติเพื่อให้สำเร็จสิ่งที่เราต้องการเช่นมรรคผลนิพพานสินห้าข้อนี่เหลือกินแล้วเมื่อสินห้าข้อบริสุทธิ์สะอาดดีสินอื่นๆมันก็เกิดขึ้นเองเพราะฉะนั้นชาวบ้านที่ยังมั่วสมอยู่กับเรื่องครวาดอย่าไปนึกอดข้าวตอนเย็นโภชเนมัตัญยุตา การรู้จักประมาณในการบริโภคนั่นเป็นสิ่งจำเป็นสิ่งใดที่มันจะทำให้เกิดโทษแก่ร่างกายเช่นน้ำดองของเมามันมีส่วนที่จะให้โทษแก่ร่างกายของเสพติดต่างๆนั่นมันมีทางที่จะให้โทษแก่ร่างกายเราก็ควรงดถ้าไม่จำเป็นอย่าไปอดข้าวเย็นพื้นฐานมันอยู่ที่สีลห้าข้อเท่านั้นอย่าไปกังวลอะไรให้มาก พระมีศีล227ถ้าศีลห้าไม่บริสุทธิ์ไม่มีทางรอดนอกจากจะไม่รอดแล้วจะไม่พ้นนรกด้วยพระธรรมบาปมันยิ่งบาปกว่าชาวบ้าน 1. บาปเพราะทมผิด 2. บาปเพราะหลอกลวงประชาชนถ้าแต่งเพศเป็นพระสงฆ์แล้วไม่สํารวมในสิกขาบทวินัยก็กลายเป็นหลอกประชาชนบาปสองชั้น